ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปันาตรัฐวินีตสูตรข้อ2องอหน้า348ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่สำราญตามพระอัทยาศัยณกรุงราชครึกเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณอยู่ในพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีคื <c oughs> อตอนนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่เมืองออราชครึกเนี่ยนะช่วงต้นๆ เ, นะเนี่ยนะพรรษาสองสามสี่เนี่ยส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองราชครึกเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองราชครื ก, ก็อยู่ตามพระอัธยาสาอ ย, อยู่ตามพระพุทธพิรมนะหลังจากออกพรรษา ได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะพราะองค์เห็นว่าเวลาอันสมควรพระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองสาวัตถีในอัตตะานหน้า37หที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประทับอยู่ตามพระพุทธาพิรมหรือว่าอยู่ตามความยินดีเนี่ยนะหรืออยู่ตามความเหมาะสมอธิบายว่าบทว่ายะนะยะารินตังยะาลันตังได้แก่ประทับอยู่ตามพระอัยาศัย จริงอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อประทับอยู่ในที่แห่งหนึ่งเชื่อว่าไม่มีไม่มีความไม่ยินดีเพราะอาศัยความวิบัติแห่งร่มเงาและน้ำเป็นต้นในเศรนาสนะอันไม่ผาสุกหรือความไม่ศรัทธาเป็นต้นของเหล่าผู้คนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเบื่อแหมออกจากสถานที่แห่งหนึ่งจากที่แห่งหนึ่งไปอยู่ที่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยเพราะอะไร เช่นบอกโอ้ยสถานที่ไม่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ดีแล้วต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีร่มมีเงาน้ําก็หายากเสนาสนะก็ไม่พาสุขผู้คนก็ไม่มีศรัทธาพอแล้วไปดีกว่าเนี่ยนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลีกไปด้วยโทสะอย่านัไม่ได้หลีกไปด้วยโทสะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความไม่ยินดีหมายความว่าไม่มีอารติ ที่เป็นเหตุให้พระองค์จากสถานที่ตรงนั้นเบื่อเช่นเบื่อสถานที่เบื่อผู้เบื่อคนเบื่อความวุ่นวายแล้วก็เ อ, อไปดีกว่าเนี่ยนะเขาไม่มีศรัทธาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะเราไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเราเหมือนว่าเป็นคนหมดประโยชน์แล้วไปหาที่ที่อื่นดีกว่าอะไรลักษณะนั้นอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเกิดเกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจหรือไม่สบายใจจากที่แห่งหนึ่งไปสู่ที่แห่งหนึ่ง ขณะดเดียวกันพระองค์ก็ไม่มีเมรติคือความยินดีด้วยอำนาจฉั้นธราคะว่าเราจะอยู่เป็นผาสุขในที่นี้แล้วอยู่นานๆเพราะสถานที่ตรงนี้มีสิ่งที่พรั่งพร้อมทุกอย่างอาหารก็สะดวกเ ส, นะสนาสนะก็สบายผู้คนก็ศรัทธาเลื่อมสายอยู่แล้วสบายพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความยินดีในแบบนี้อีกนะถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสแสวงหาผู้คนและสแสวงหาการ นับถือเพราะถือเอาประโยชน์ว่าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในที่ใดสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในสารณะสัตว์ทั้งหลายสมาทานศีลสัตว์ทั้งหลายมีการบรรปชาอุปสมบทสัตว์นะหรือในบรรดาจํานวนสัตว์เหล่านั้นบางพวกมีอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลบางพวกมีอุปนิสัยแห่งสกทาคามิมร์สกทาคามิผลอนาคามิมร์อนาคามิผลอรหัตตมร์อรหัตตผล ถ้าหากว่ามีผู้ที่มีอุปนิสัยจะได้สารณะศีลบวชหรืออุปนิสัยแห่งมรรคผลพระองค์ก็จะประทับอยู่นะสถานที่ตรงนั้นตามพระอัาฉรยสยเพื่อที่จะแต่งตั้งสถาปนาบุคคลเหล่านั้นว่าผู้ที่จะมีสารณะได้พระองค์ก็ตั้งเขาเอาไว้ในสารณะผู้ที่พอจะสมาธานศีลรักษาศีลได้พระองค์ก็สอนให้เขาอยู่ในศีลผู้ใดที่มีอุปนิสัยที่ควรได้รับมรรคผลพระองค์ก็สอนให้เขา ได้บรรลุมรคผลเมื่อไม่มีผู้ใดเกิดอะไรเพิ่มเติมเลยไม่มีคนที่ไม่ถึงสารณะก็ไม่มีเพิ่มเลยนะหรือคนที่จะสมาทานศีลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะพระองค์เป็นปัจจัยก็ไม่มีเลยหรือคนที่จะบวชเพิ่มเป็นต้นก็ไม่มีไม่มีใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรคผลเลยในระหว่างนั้นพระองค์เห็นที่อื่นที่เขาจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวมานี้ พระองค์ก็เสด็จไปณสถานที่ตรงนั้นไปไปแต่งตั้งให้เขาได้สรณะไปให้เขาได้สมาทานศีลบรรพชาอุปสมบทไปให้เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อไม่มีผู้ที่เป็นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ไปต่อเนี่ยนะไปในที่ที่ที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยนะไปให้สรณะศีลบวชบรรลุมรรคผลนิพพานจนไม่มีผู้ใทจะเป็นแบบนั้นพระองค์ก็ไปที่อื่นต่อก็จาริกอย่างเนี้ไปเรื่อยเนี่ยนะก็เรียกว่าไอไปเรื่อยนี่หมายความว่าไม่ได้หยุดประจําที่เพราะ ปัจจัยสี่สะดวกสบายหรือไม่ใช่ว่าแม้ไม่อยู่แล้วเพราะปัจจัยสี่บกพร่องไม่ได้นั่นไม่ใช่เหตุผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสัตว์เหล่าใดที่จะมีบูวาสนาจะเจริญคุณธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เสด็จหลีจากที่นั้นไปจาริกันจระมาโนคือพระองค์เสด็จพุทธดาเนินทางไกลเนี่ยนะเดินทางไกลเดินจากไหนไปไหน เดินจากเมืองราชครึกไปเมืองสาวัตถีก็ถือว่าเดินทางไกลระยะทางประมาณ45โยชนี่นะ45โยชน์ก็45คูณ200กิโลเนี่ยสมัยเดินเอคูณ16กิโลเนี่ยสมัยเดินเนี่ยนะก้าวก้าซ้าย9ก้าขวานี่ก็ถือว่าไกลพอสมควรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมีพุทธบริษัททั้งภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะที่ติดซอยห้อยตามมียเยอะยกขบวนใหญ่ไปเลยแหละบา ง, งันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จาริกถือว่าเดินทางไกล การจาริกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นการจาริกหรือเที่ยวไปสองอย่างด้วยกันจาริกเนี่ยแปลว่าเที่ยวไปเนี่ยนะอย่างคําว่าจาริกกับจราจรเนี่ยเป็นศัพท์คล้ายๆกันนะผู้เที่ยวไปจาริกเนี่ยก็คือผู้เที่ยวไปใช่ไหมจราจรก็จระบวกอจระจระแปลว่าไปอจจระแปลว่ากลับก็แปลว่าเที่ยวไปเที่ยวมานะก็ว่าด้วยการไปมาส่วนการจาริกการไปของพระผู้เจ้าแบบรีบกับแบบไม่รีบ การเที่ยวไปของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะการไปเนี่ยไปแบบพระสุคตนะไปแบบผู้สุขโตไปแบบคนไปผู้ที่เห็นนิพพานไปแบบคนปฏิบัติตามอริยมรักษไปแบบคนที่รู้มัชชิมาปฏิปทาไปแบบปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยนะโปร่งไปแบบนั้นอันนี้การไปเนี่ยนะไปเพื่ออะไรไปแบบรีบกับไม่รีบแบบรีบเป็นอย่างไรก็คือการที่พระองค์ทรงเห็นบุคคล ผู้ควรตรัสรู้แม้ในที่ไกลพระองค์ก็รีบเสด็จไปเพื่อโปรดให้เขาได้ตรัสรู้อันนี้เรียกว่าเสด็จจาริกแบบรีบ<ม>เพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยนะโอกาสของบางคนที่จะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยไม่มากนะโอกาสไม่มากเมื่อโอกาสไม่มากถ้าพ้นช่วงนั้นไปแล้วโอกาสอีกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะรีบไปอย่างเช่นไปโปรดใครบ้างไปโปรดพระมหากัสสปะอันนี้ไปเพราะ เขารบทำเพราะเข้ากำลังออกบวชถ้าไปช้ากว่านั้นเขาจะไปไหนต่อแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ร่งไปเนี่ยไปต้อนรับพระมหากระสปะตลอดถนทางสามขาวุฒไปแว็บเดียวเนี่ยนะอีกบางทีหนึ่งก็ไปเนี่ยสามร้ยยเพื่อโปรดอัละวักะยักพรา่อะไรเพราะถ้าไม่ไปคืนนั้นเนี่ยเช้าอัลวัละวะกะยักษจะกินเอาอัละวักะหัตกะกุมารซึ่งอนาคตท่านจะเป็นพุทธเาอุปถาคเนี่ยนะจะเป็นอุบาสกเนี่ยนะอุบาสกข้างขวาเลยนะ หัตถ ะ, ะอลาวะกะนี่เป็นคู่คู่อุปถาดเนี่ยนะคู่อุปถาดที่เป็นอุบาสกอ่ะนะก็คือหัตถะอลาวะกะกับจิตตะครหบดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็รีบไปสิ้นทางสามยอเพราะถ้าไม่ไปเนี่ยอ่านะอลาวะกะก็ไม่รู้จะได้เป็นพระโสดาบันหรือเปล่าหัตถ ะ, ะอลาวะกะกูมาเนี่ยก็ก็ถูกกินไปแล้วจะบรรลุอะไรหละคะนี่ใช่ไหม แล้วก็พระองค์ก็รีบไปเพื่อจะโปรดพระองคุลิมานเพราะคืนไปช้ากว่านั้นก็จะฆ่าแม่เมื่อฆ่าแม่ก็หมดอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลแล้วพระองค์ก็ไปเพื่อโปรดป ก, กุศลสติตลอดระยะทาง45โยชนเพรา ะ, พระองค์ไปช้ากว่านั้นเขาก็ตายก่อนแล้วก็พระองค์ก็รีบไปโปรดพระเจ้ามหากปินาสิ้นหนทาง 2,000 โยชศโปรดพระคธิระวณิยะเทระเนี่ยนะก็ไปหนทาง700โยช์ไปโปรด พระวนวาสีติสสะสัมเนินซึ่งเป็นลูกศิษย์สัตว์ที่วิหาริของพระธรรมอสนาบดีสารีบทก็ไปสองพันยศกับอีกสาข่าวุฒซึ่งไกลมากเลยนะไม่รู้แถวบ้านเราหรือเปล่าเนาะนะอาจจะไกลกว่า น, นั้นด้วยซ้ําไปเนี่ยนะได้ยินว่าวันหนึ่งพระเถระทูลว่าคือพูดถึงว่าที่พระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระวาสีติสสะสัมเนินเนี่ยนะคือพระสารีบทไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะไปยังสำนักของ ติดสัสมเนนพระผู้เทใเจ้าก็ตรัสว่าดีละถึงเราก็จักไปเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสรับสั่งกับท่านท่านอนว่าอานุน์เธอจงบอกภิกษุผู้ได้อภินญาหกสักสองหมืนรูปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสด็จไปยังสำนักของวันวาศีติดสัสมเนนเนีน่ย น, นะวันรุ่งขึ้นจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระขีนาศพประมาณสองหมืรูปแวดล้อมเหาะไปทางอากาศเสด็จลงใกล้ประตูโคโจรคามของ ติดสัมมเณ น, นนั้นสุดทางสองพันโยต์เสร็จแล้วปองก็ห่มจีวรนะหลังเหาะลงก็ห่มจีวรพวกผู้คนไปทํางานเห็นเข้าก็กล่าวกันว่าท่านผู้เจริญพระศาสดาสเสด็จมาพวกท่านจะมาทําการงานทํำไมแล้วก็เอามาช่วยกันปูอาสนะถวายข้าวต้มถวายทานวัตแล้วก็ถามพิสุนมงคทั้งหลายว่าท่านครับพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนอุบาสกทั้งหลา ย, ยานะพิสุก็บอกว่า พระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปที่อื่นดอกพระองค์เสด็จมาเยี่ยมติดสระสมณีนในที่นี้แหละผู้คนเหล่านั้นก็เกิดโสมนัติดีใจเป็นอย่างยิ่งว่าได้ยินว่าพระศาสดาสเสด็จมาเยี่ยมพระเทระประจําตระกูลของพวกเราพระเทรรของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ตําต้อยเลยเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางมาเยี่ยมเนี่ยนะพระรูปนี้ต้องเป็นสมณีรูปเนี่ยพิเศษมากเลยแหละขณะพระพุทธเจ้ายัางมาเยี่ยมตอนนั้นอายุเจ็ดขวบเอง ลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําพัฒกิจเสร็จสัมมาเนก็เข้าบ้านบินทบาทถามว่ามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่หรือครั้งนั้นอุบาสกเหล่านั้นก็บอกแกสัมมาเนนว่าท่านเจ้าข้าพระาศาสดาสเสด็จมาแล้วคือพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เนี่ยไปบินทบาทในหมู่บ้านในเมืองนั้นก่อนสมมาเนนจึงตามไปบินทบาทที่หลังพอเห็นอ้าวพระพุทธเจ้ามาหรือสมมาเ น, นถามะนะอ้าวอุบาสกก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามา สมณเณรนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเอื้อเฟื้อด้วยอาหารบิณฑบาตหมายว่าตัวเองนี่ไปบิณฑบาตได้อาหารอะไรมาก็น้อมเอาอาหารในบาสนั่นแหละไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จับใช้พระหัตถ์เนี่ยจับบาศของสมณเณรตรัสว่าพอละสมณเณรพัฒกิจเราฉันเสร็จแล้วก็คืนบาศให้เนรไปจากนั้นสมณเณรก็กราบเรียนพระอุป acha คือพระสารีบุตรเนี่ยนะก็ไปถวายอาหารแก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ให้อาหารกลับคืนไปท่านก็ไปนั่งเหนืออาสนะที่ถึง แก่ตนแล้วเสร็จพัฒกิจนู่ไปนั่งท้ายสุดพวกนั้นสอง0 0ื่นรูปะนะครั้นสำมานเณรทำพัฒกิจฉันเสร็จแล้วพระศาสดาก็ตรัตมงคลเนี่ยนะตรัสมงคลอะไรตรัตแสดงทำให้แก่บริษัทเทวดาและมนุษย์ที่มาประชุมกันนะที่นั้นก็คือตรัตเรื่องอะไรเรื่องมงคลก็การคบสัตรบรุตรเนี่ยนะการคบสัตรบรุตรการคบพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้านะเมื่อคบสัตรบุรุษได้ครบพระพุทธเจ้ากับ สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบูชาพระสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อบูชาก็มีการให้ถวายทานทานันจะมีการฟังธรรมเนี่ยนะมีการถวายทานมีการสมาทานศรรีลมีการฟังธรรมพราะงั้นมงคลทั้งหลายทั้งปวงก็ติดตามมาเนี่ยนะก็แสดงว่าในกลุ่มนั้นก็มีผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะได้ตรัสรูม้มรรคผลตามหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมอนุโมทนากับ ชาวบ้านเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับยืนใกล้ประตูบ้านพระองค์ก็ถามสมณเนรว่าติสะทางที่ที่ไปเนี่ยนะทางไปที่อยู่ของเธออยู่ทางไหนเออแล้ววัดที่เธออยู่มันไปทางไหนล่ะสมณเนรก็บอกว่าทางนี้พระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสบอกสาามณเนรติสะเธอจงชี้ทางเดินไปข้างหน้าเออเธอเธอเดอินนาหน้าแล้วกันอนะ ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่บอกทางแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเรื่องทางแต่ให้สัมมาเนนนำทางเป็นยังไงคือจริงๆแล้วพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้ทางแต่ทรงทาสัมมาเนนให้เป็นมัคคุเทศคือผู้นําทางด้วยพุทธประสงค์ว่าพระองค์จะได้เห็นสัมมาเนนนั้นตลอดสิ้นหนทาง3ขาวุฒจะได้มองเห็นสัมมาเ น, นได้ยาวทั้งสิอกิโลเนี่ย น, นะเพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีทัศนานุตริยะเห็นสัมมาเนนอรหัน สมณีนรูปนั้นไม่ใช่สมณีนปุตตชนทั่วๆไปธรรมดาแต่เป็นสมณีนที่เป็นพระอระหันเนี่ยนะก็เป็นอนุตตริยะเป็นทัศนานุตตริยะพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เจริญสังขานุสติเป็นต้นอยู่แล้วเนี่ยนะมันการเห็นพระผู้ที่สมณีนผู้เป็นพาาระอรหันเช่นนั้นก็ยังจิตของพระพุทธเจ้าให้โสมนัสและยินดีสมณีนก็ไปยังที่อยู่ของตนก็กระทําวัดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ถามสมณีนว่าสัปติสาที่จงกรมมาอยู่ตรงไหน ที่เดินกลับไปกลับมาของเธออยู่ที่ไหนล่ะแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจงกรมณนะสถานที่ที่สมมเนนจงกรมแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งที่นั่งสําหรับที่สัมมเนนนั่งปกติสัมมเนนนั่งตรงไหนพระพุทธเจ้าก็ไปประทับนั่งตรงนั้นแล้วก็ถามวิติสะเธออยู่เป็นสุขในที่นี้หรือสัมมเนนก็บอกว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ในที่นี้ได้ยินเสียงราชสี ได้ยินเสียงเสือเสียงช้างเสียงเนื้อนกยุงเป็นต้นก็เกิดอรันสสัญญาใส่ใจว่าเป็นป่าเมื่อใส่ใจว่าเป็นป่าก็จะอยู่เป็นสุกด้วยสัญญานั้นเมื่อใส่ใจเป็นป่าก็ไม่ใส่ใจว่ามีบ้านมีแต่ป่าเท่านั้นเลิกใส่ใจว่าเป็นป่าก็ใส่ใจแต่ปทวีเนี่ยนะปะทวีปทวีเมื่อใส่ใจในะปทวีก็เป็นปทวีที่เหมือนกับหนังหน้ า, นากลองขึงตึงก็เข้าปทวีกสินด้วยปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและ จะตัวพระฌานเพิกจากรูปฌปานก็เข้าอารูปฌปานแล้วก็ต่อด้วยเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะมันสัมมาณีนนรูปนั้นก็เป็นคนเก่งอย่างนั้นท่านก็มีความสุขอยู่กับการเจริญแบบนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกว่าอ่าสัมมา น, นก็บอกว่าได้ยินเสียงสัตว์เป็นต้นก็ทําให้เกิดความสําคัญคิดถึงแต่ป่าไม่คิดถึงคนแล้วเนี่ยนะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสั่งสัมมา น, นว่าติดสะเธอจงให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันก็อัะนนะั้นให้ไปนิมนทร์พระมารวมกันแล้วกัน บอกว่าเราจะให้ตำแหน่งพุธธทธาญาติแก่เกธอเนี่ยนะได้ตำแหน่งพุธธทธาญาติแก่เกธอก็ให้อุปสมบทพระองค์ก็ให้ภิกษุสงประชุมการครึ่งโยตให้สำ ม, มเนินอุปสมบทแล้วก็เสด็จหลีกไปยังที่อยู่ของพระองค์นั่นและเหตุนั้นเรียกว่าจาริกแบบรีบร้อนเนี่ยนะก็ไปวันเดียวเนี่ยนะเช้าก็ไปล้เช้าก็ไปฉันเสร็จในหมู่บ้านสายๆหน่อยก็สายๆหน่อยก็กลับเชตาวันเหมือนเดิมเนี่ยนะอันนี้เรียก ว, ว่าเสด็จแบบรีบจาริกรีบเนี่ยนะ เหมือนก็ไปฉันเพลนที่บ้านใครบ้านคนหนึ่งอ่ะนะแค่นั้นเรากลับมาละ